คุณผูฟั ง, งที่ครบคาถะเลยในช่วงเวลาของรายการ ส, ามสัสมมนาสนทนากับดิฉัน ส, มสนัมมนาณพงนะคะรายการของเราพบกันทุกปีห้าถึงสี่ห้าครึ่งเช้าตรู่เป็นเวลาที่เมื่อวานนี้ท่านพิบูร์ได้พูดนะคะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าคนที่ตื่นเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นปกติมีโอกาสที่จะทํามรรคผลนิพพานให้แจ้งมากกว่าเราก็มาพบกับท่านจันพิบูร์กันเลยนะคะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะว่าวันนี้ ท่านจะได้นําเรื่องใดมาให้ความรู้กับพวกเราอีกกราบในวัน ก, การค่ะเชิญบานค่ะเราจะสันนิษฐาพระพุทธองค์ในโอกาส 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ปีพุทธชัยนตีปีนี้ในวันนี้กันด้วยเรื่องอะไรครับ่านคะเรื่องคําสอนของพระเจ้าส่วนอสองส่วนที่สําคัญที่จะพูดถึงวันนี้คือพระเจ้าเนี่ยสอนอยู่สองเรื่อง นะบางคนก็จะบอกว่าเรื่องธรรมส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องวินัยส่วนหนึ่งใช่ไหมบางคนก็จะพูดถึงในแยะอื่นๆ2 ส, ส่วนเนี่ยนะทีนี้สองส่วนที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากเท่าไหร่คือส่วนที่ทําให้ถึงโลกุตรธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นโลกุตระธรรมนะสองส่วนนี้ส่วนแรกที่บอกว่าส่วนที่ทําให้ช่วยบรรลุ ถ, ถึงโลกุตรธรรมเนี่ยทีเ่เราเคยจะอาจจะทราบมาว่าคืออนุบุ พ, พิกถาพูดภาษาที่จะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือธรรมะที่แสดงไปตามเป็นลําดับ นะั่นคือเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของ ส, รององอสวรรค์แล้วก็โทษอันเศร้าหมองต่ำทําของกามแล้วก็อันนี้ส่งในการออกจากกาอันนี้5อย่างเป็นธรรมะส่วนที่จะทําให้ถึงโล ก, กุตรธรรม <Okay. S 1> ส่วนธรรมะอีกหมวดหนึ่งหมวดที่2คือธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมโลกุตระธรมนะกก ร, ธรมก็คือระดับเหนือโลกนะัคือพูดถึงเรียสัตสเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะสอ น, นอยู่แค่2ส่วนคุณโยมติว๋ว <Okay. S 1> ส่วนอนุบุพิกถา คือตั้งแต่เรื่องทานศีลสวรรค์พวกนี้แล้วก็ส่วนที่2คือเรื่องของอริยสัจสี่เราจะเห็นว่า2 ส, ส่วนนี้มันสนับสนุนกันอยู่เนะี่ยสมมุติเราพูดถึงทานศีลสวรรค์อย่างเงี้ยเราพูดถึงครวญอาคุณให้ทานนะคุณรักษาศีล น, นะคุณไปสวรรค์ได้แต่ระวังนะสวรรค์นนะก็มีความกําหนดรุ่มหลวงมวมเมาในการนะคุณอยากกำหนัดตรงนี้แล้วก็ให้นึกถึงอั น, นิสงส์ในการออกจากกาม นะห้าอย่างลําดับเป็นลําดับขั้นอย่างนี้อันนี้คือส่วนแรก <Okay. S 1> แล้วถ้าใครเห็นแล้วลึกซึ้งขึ้นไปคุณต้องการปฏิบัติต่ อ, อคุณมาในส่วนที่2คืออริยสัจสี <Okay. S 1> อริยสัจ4 <Okay. S 1> ก็จะทําให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ <Okay. S 1> จริงๆ2ส่วนนี้มันสนับสนุนเกื้อกูลกันไงคุณยมติว <Okay. S 1> คือบางคนพูดถึงว่าให้ทานอย่างเดียวบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ไหมแต่นี้ถามว่าคุณให้ทานให้ทานเนี่ยมันต้องให้จากใจด้วยนะ S <S คือคือสักแต่ด้วยอาการขอการให้ก็จะจะไม่ได้อ น, นี้สงสัเท่าไหร่แต่ถ้าคุณให้ทานคุณ อ, อะไรให้ทานอย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยคุณทานเสื้อผ้าหมดเลยทานผมด้วยวันที่บวชเนี่ยผมก็กนทิ้งเสื้อผ้าก็ทิ้งทรัพสมบัติทั้งหมดยกให้คนอื่นหมดนั่ น, นคือการให้ทานละใช่ไแล้วให้ลึกๆเกินไปคือคุณทานออกให้หมดเลยใจแล้วเราก็ให้นั้นละออกให้หมดไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นของตัวตนนั่นคือหทานหมดเลยนะถ้าจะพูดไปแล้วให้ทานอย่างเดียวคุณบรรลุเป็นบารมีได้เลย ออืคือถ้าให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์คืออยากให้ล้นๆใช่ไหมคะใช่ให้หมดทุกอย่างทุกอย่างคือแบบใครหน้าพระวสสันดรชาดกเวสสันดรชาดกที่ให้แม้กระทั่งลูกเมียตัวเองให้เมืองให้ช้างให้อะไรหมดทุกอย่างจนเขาไล่ออกจากเมืองคือเขะทันต้นนะคะสมัยนี้ดิฉันเป็นเด็กๆเนี่ยออืรู้สึกว่า ผู้วิเศษดอนเนี่ยเป็นคนประหลาดผิดปกติอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าบอกท่านมันรู้สึกอย่างงั้นจริงๆนะคะคือมีความรู้สึกเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกอื ม, อมค่ะแล้วบางครั้งอย่างเราอย่างเงี้ยบาทีเราก็ไม่สบายใจนะคะอยู่ดีก็มีคนโทรศัพท์มาขอสตางค์แล้วเราไม่ให้เนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าอ่ามันไม่ควรให้อืมทีนี้ถ้านในกรณีแบบนี้คะ่ะท่านคะอยู่ดีมีคนที่เราเคยรู้จักโทรมาขอสตางค์ ก็ถ้าเป็นญาติไหมไม่ได้เป็นนะคะอ่าคืออย่างไรก็ตามเป็นญาตินี่ยก็ก็ควรให้เหมือนกับเราเคยเกื้กุลไปแล้วเป็นคนรู้จักอืมคือในความเห็นอาตมานะค่ะเออมีมีก็ให้ไปเถอะนะคะคือให้มากให้น้อยยังไงมีให้บ้างอ่าคือไม่ใช่ว่าให้เขาหมดจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนคือสัตว์บรุษผู้ผู้ฉลาดให้ทานเนี่ยตัวเองต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นต้องไม่เรือร้อนด้วยแล้วเราก็ให้ในส่วนงบประมาณที่เราเราจัดสรรไว้ในการให้ได้ก็ให้ไปเถอะเนี่ยค่ะ เด็กที่ก็เลยคิดว่าการให้นะ่านคะาบางทีมันต้องฝึกให้เหมือนกันนะคะ<ม>เพราะอย่างเราในบางครั้งเราก็รู้สึกหลบธรรมชาติของเรานะ<ม>ก็ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะขัดใจอืมทําไมอยู่ดีๆมีก็โทรมาขอสตางค์ใช้อมีเรื่องนี้เรื่องของพระเหมือนกันคือ <c oughs> ในในวัดทุกวันเนี้ยคุณยมเตียวเขาจะมะีวัดบ้านนอกเนี่ยจะไม่ค่อยเจอวัดในเมืองจะเจอเยอะ วัดปด่าดอนไนโศนี่ไม่มีเลยตั้งแต่อาตมามาอยู่แต่ในวัดบรวรเนี่ยมีเยอะคือเดี๋ยวเดวก็มีใครมาไม่รู้มาแล้วก็มาทําฟอร์มว่าเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ขึ้นรถเงินถูกเขารวงกระเป๋าไม่มีเงินมาขอเงินขอตังค์กินข้าวขอเงินพระว่างกันเถอะค่ะมาขอเงินพระแล้วก็ฟอร์มว่ากลับบ้านไม่มีเงินกลับบ้านอะไรแต่งตัวโสมๆหน่อยบางทีก็แต่งตัวดีหน่อยก็งงๆหรือทำไงอ่าบางทีให้มากบ้างน้อยบ้างก็ก็ให้ไปย่เี้ บางทีไม่ให้ก็มีคก็แล้วแต่จังหวะโอกาสดิฉันคิดว่าคนบางคนเนี่ยเขาเขาก็เดือดร้อนจริงก็จะมีนะคะใช่มีคนที่เดือดร้อนไม่จริงก็มีก็มีใช่พระก็โดนหรอคะโดนโดนดิฉันนึกว่าโดนแต่พวกเราที่เป็นบุคคลสาธารณะสมัยก่อนที่ทํางานโทรทัศน์นะคะเราก็ออกทีวีเป็นผู้ประกาศเป็นอะไรพวกเนี้ยจะมีคนในลักษณะเนี้ยมากเหลือเกินบางคนทําเป็นโอ๊ยจําได้ไหมเคยรู้จักกันที่นั่นไง โวยนี่แม่พี่ตายใส่เสื้อดํามาเลยนะคะอืเรานึกอพี่ตายนึกถึงวันนี้ยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่ารู้จักกันที่ไหนอ่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีคล้ายๆที่ท่านพูดคือบางไมใหม่ๆแล้วก็ให้นะคะจนกระทั่งมีคนเข้ามาบอกว่าเออคุณติ๋วนึกใจดีนะคุณรู้หรือเปล่าว่าไอคนนี้มันทําอย่างนี้มาโดยตลอดเะไเงี้ยนะคะแต่ระยะหลังเราก็เลยเข้มมากขึ้นแต่เนื่ยค่ะพอท่านพูด ที่ฉันเข้าใจว่าเรื่องการเป็นผู้ให้เนี่ยสำหรับสาหรับคนที่ให้ได้เรื่อยๆให้ได้โดยไม่คิดอะไรติดในใจนี่ต้องอนุโมทนามากๆใช่แต่ว่าด้วยความที่โลกปัจจุบันเนี่ยเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารเทคนิคของบุคคลสารพัดสรพันใช่คะแล้วบางทีคนรู้จักรู้จักกันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีหลายประเภทนะคะบางคนเนี่ยขี้เหนียวเหนียวนี้ ตอนขอยืมเขล่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยซ้ำแต่เหนียวนี้ไม่ค่อยยอมใช้นี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้มนุษย์เนี่ยมันเกิดความหวาดระแวงอันนี้อาจาย์มามีเทคนิควิธีที่คิดว่าเราทําใจยังไงถึงจะเหมาะสมในกรณีอย่างพวกนี้คือว่ากรรมของใครก็ให้คนนั้นเขับไปนะคืออย่างน้อยจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นจิตที่ดีไว้ก่อนคือให้เนี่ยยังดีกว่าไม่ให้ แตสมมุติว่าถ้าเป็นคนเขาอาจจะโตเถียงว่าอุ๊ยคุณให้อย่างนี้นะเป็นการสับย์สินให้เขาทําไม่ดีให้เอ็นดันกรรมของเขาให้เขารับไปแตคือถ้าคุณรับเงินเราไปแล้วหรือว่าสิ่งที่เราหาเลี้ยงชีพมาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปเป็นคนไม่ดีกับเรื่องของคุณแต่อย่างน้อยฉันเป็นคนดีนคือถ้าถ้ารับไปแล้วเนี่ยคือยังไงพวกนี้เขาหากินไม่ได้นานหรอกคุณยมติวอย่างน้อยถ้าเขาหากินไม่ได้เขายังก็ยังรอดชีวิตไปวันหนึ่งจริงๆนะถ้าเขาสมมุติหากินไม่ได้จริงๆ อ, ะอ่ะเขายังรอดชีวิตไปวันหนึ่งงงงเเเเพรราาาะะว่่ินนนทีีให้้ไปััก็ยดนะ นี่ก็สืบเนื่องมาแต่เรื่องที่ท่านไพบูรณ์ได้หยิบยกมาเพื่อให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าในอีกแง่มุมหนึ่งเป็นการสั่งเสริญพระพุทธองค์ในโอกาส 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ก็คือว่าพระพุทธองค์สอนอยู่2เรื่องเรื่องอนุปุกกิกระถาแล้วก็เรื่องอริยสัจสี่ แต่เรื่องของถานที่ทําให้ดิฉันกราบเรียนถามท่านวนเวียนอยู่ด้วยคําถามแถวๆนี้ไม่ไปไหนเลยเนี่ยนะคะ mm hmm. จะอยู่ในเรื่องอนุปุทธิกระทาแล้วท่านก็พูดถึงว่าทานเนี่ยให้จริงๆจังๆให้แบบใจบริสุทธิ์ได้ทุกอย่างทําให้บรรลุทําไ ด, ได้ได้ได้แน่นอนดิฉันต้องไปฝึกแต่ไม่ต้องโทรมาหาดิฉันนะคะร โดนกันทุกคนนะมาว่าโดนกันทุกคนค่ะค่ะเ อ, อยถ้าจะเล่าเรื่องนี้ดิฉันเนี่ยคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์พวกะฉันเป็นถูกเป็นทาง น, นะคะเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะและถ้าเอาบุคคลสาธารณะมานั่งเรียนแถวรวมๆกันเป็นหนังสือเป็นซีรีส์ได้เลยนะคะหรือเป็นชุดได้เลยเหลือเวลาอีกสักประมาณเดียวนะคะไม่กี่นาทีกลับเรียนถามด้วยคาถามของท่านฝั่งท่านนี้ค่ะคุณธัฐพรเหคะธัพร ต า, าพรค่ ะ, คะก็ขอเรียนถามโดยพูดถึงชื่อตอนที่จัดราการไปด้วยบอกว่าที่ท่านเปรียบเทียบคูคลองเสาระเนียดและหัวเรือเครื่องยนต์กับสติสมาธิปัญญาและอื่นๆใครก่กราบเรียนถามท่านว่าพระพุทธเจ้าได้มีการเอาศีลเปรียบเทียบกับตัวอย่างนั้นเปล่าวบ้างหรือเปล่าครับในความคิดเห็นของผมศีล น, น่าจะเปรียบได้กับความสัมมาคีและระเบียบวินัยของกองพล หรือในค่ายส่วนในเรื่องของเรือสี น, น่าจะเปลี่ยนได้กับเรือที่แข็งแรงไม่มีรอยรัว่วอืขอท่านช่วยเมตตาอัฏฐานที่เบาด้วยครับแสดงว่าคุณตถาพจนนี่ไปฟังทางออนไลน์น ะ, ะเพราะว่านี่แสดงว่าตั้งแต่เป็นต้นปีของปีที่แล้วนุ่นนะต้นช่วงต้นปีที่แล้วหรือว่าช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วก็สดท้อนธรรมะไม่มีเก่านะครับใช่ใช่ฟังได้เรื่อยเรื่อเรื่องของสีนี่ผู้เชี่ยเคยเปรียบเทียบหลายอย่าง เปรียบเทียบกับไอ้พวงมาลัยที่มันร้อยอยู่กันได้ด้วยความเป็นระเบียบวินัยอย่างดีนะอันนี้ก็เปรียบเทียบกับศีลอย่างในกรณีของคุณธราพรที่พูดถึงระเบียบวินัยในกองทัพอันนี้ก็อันนี้เป็นก็พอจะเปรียบเทียบได้นะถ้าโดยบทเพียนชนะที่พเจ้ายกตัวอย่างมาเปรียบเทียบก็คือไอ้ที่อาการที่ดอกไม้เนี่ยมันมาร้อยเรียงกันเป็นวงอย่างดีนัะนนั่นคือเรื่องของศีนอันนี้กรณีที่1กรณีที่2พงพุช้าเคยเปรียบศีนกับพื้นฐานพื้นดิน ที่ว่าอะไรจะอะไรก็ตั้งอยู่บนพื้นดินนี้นะคือเราจะมีสมาธิได้ก็จะต้องมีฐานคือศีลนั้นเป็นอย่างดีนะมีมีดคมหรือไม่คมคุณก็ต้องอยู่บนพื้นดินนะในการที่จะตัดจะอะไรก็ต้องมีพื้นดินคือคือศีลเป็นอย่างดีศีลนันนี้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้สองระยะเท่าที่จำได้ตอนนี้ก็คื อ, อคเรื่องของการร้อยพวงมาลัยแล้วก็เรื่องของเหมือนกับแผ่นดินที่รองรับสิ่งต่างๆไปหมด ค่ะดังนั้นคุณตถาพร์ก็ลองคิดต่อแล้วกันนะคะว่าจะสอดคล้องกับที่คุณตถาพร์คิดว่าเป็นเรื่องของความสมัคคีระเบียบวินยัยหรือไม่เป็นเรื่องของเรือที่แข็งไม่มีรอยรั่วได้หรือไม่มถ้าเปรียบกับพื้นดินแต่ที่ฉันว่าถ้าเปรียบแบบพุทธเจ้านี่ชัดแล้วอืมไหคะคือทีอนี้พุทธเจ้าเวลาจะพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยก็จะพูดไหลรื่นลงไปจนถึงวิมุตไปเลยเสมอมเสมอ นะคืออุปมาปรปไมตรงนี้จะเปรียบเหมือนกับน้ําฝนฝนที่มันตกอยู่บนหลายเขาแล้วก็จะทําให้บึงหนองห้วยอะไรพวกนี้เต็มพอบึงหนองห้วยเต็มแม่น้ําน้อยก็เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ําใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มก็มหาสมุทรก็เต็มมหาสมุทรนี่เปรียบเทียบกับพวกวิมุตท่านเพียบูณคะทีนี้ในเมื่อ ก่อนหน้านี้ท่านพูดเรื่องอนุปุพิกถามีองค์ประกอบที่สําคัญคือมีทานมีศีลศีลก็อยู่ในนั้นด้วยและกําลังถามคําถาม ท, าท่านเกี่ยวกับศีลเมื่อกี้ท่านบอกว่าทานเนี่ยทำอย่างจริงจังยิ่งยวดให้ได้ทุกอย่างบรรลุทําได้ศีลแลคะท่านคะทําศีลอย่างเดียวเนี่โอ้ <ไป S 2> แน่นอนแน่นอนอันนี้เป็นพุทธวจนะด้วยพระเจ้าบอกว่าศีลเนี่ยก็จะไหลไปเป็นลําดับอย่างที่ว่านี่แหละน ะ, ะหือว่าน้ําตกบนภูเขาก็ทําให้มหาสมุทรเต็มได้ ท่านคัดที่ฉันเลยสงสัยว่าศีลของท่านที่ฉไม่ไม่สงสัยแล้วนะคะเพราะว่า<ม>ท่านก็มีภาระที่จะต้องปฏิบัติตามเยอะหน้าที่จะพาไปวิมุตได้แต่ถ้าศีลของคารวาสเนี่ยค่ะลำพังแค่ศีลห้าเนี่ยทารักษาจริงจังยิ่งยวดเนี่ยไปวิมุตได้ไหมค ะ, ะได้สิศีลห้านี่แหละพาไปวิมุตได้คืออย่างน้อยคุณเป็นโสดบัณฑ์ใช่ไหมเพราะคุณเป็นโสดบัณแล้วยังไม่ก็ไม่เกินเจชาคุณก็เป็นพระอรหันต์ เพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือศีลห้าที่คุณรักษาเพื่อความเป็นโสดาบันนั่นเองท่านคะทีนี้พอพูดถึงโสดาบันก็ขอทําความเข้าใจกับท่านฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคยว่าคืออะไรเนี่ยโซดาบันเป็นขั้นตอนแรกของการที่จะเป็นพระอริยสมใช่โซดาบันที่แต่ว่าพูดถึงซึ่งกระแสพูดถึงซึ่งกระแสใช่กระแสที่จะไปเป็นพระอรหันต์นิพพานใช่กระแสที่นิพพานทีนี้พอท่านบอกว่าถ้ารักษาศีลแล้วเนี่ย จะมีโอกาสได้เป็นพระโสดาบันก็เรียกว่าเข้าสู่กระแสละถูกต้องนะคะแต่ว่าวิมุติเนี่ยไม่ได้สุดที่โสดาบันใช่ไหมวิมุตเนี่ยมันต้องทําต่อถูกไหมคะถึงจะไปได้ถูกต้องแล้วจะเป็นถึงพระอรหันต์อ๋อก็คือว่าไปอยู่ในกระแสซะก่อนกันละการรักษาศีลห้าเท่ากับว่าไม่พลาดแน่อีกเจ็ดปีคือเหมือนว่าติดลมบอลแล้วจชาติอีกเจชาติอีกชติเจ็ติช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช เข้าใจตามนี้อืศีลที่คุณป่าพาพรถามมาก็จึงทําให้เราได้รู้อีกว่าทําให้เราเห็นแสงวิมุตเลยนะอืม่ทาได้ออย่างอย่างไรก็ตามในในวิมุติเนี่ยฟังให้ดีในวิมุติงงนเนี่ยไม่มีสีนน ะ, ะในวิมุติไม่มีสีนในวิมุตไม่มีสมาธิในวิมุตไม่มีปัญญาคือ ค, คือไม่มีอะไรพวกนี้เลย ก็เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติไปเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่ายึดถือพวกศีลพวกนี้เข้าไปในวีมุต ด, ด้วยไม่ได้คุณจะไปยึดถือไม่ได้นะคุณแค่ทำํำเฉยเพราะฉะนั้นถ้าคุณหนึ่งทําผิดศีลเราจะไปจี๊จั๊ดอย่าอยาอย า, ย า, ยาอืมงั้นก็เท่ากับว่าอันนี้ตามความเข้าใจของที่อาจารย์นะคะ <c oughs> เหมือนกับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยฟังดูแล้วเป็นเหมือนกับว่าเครื่องมือที่ล้าค่า ม, มากมที่จะพาพวกเรา ไปสู่วิมุตต์ไปสู่การหลุดพ้นได้แต่อย่างไรก็ตามเราอย่าแบกไปตลอดทางใชท่ทิ้งตอนไหนคะก็ตอนที่เข้าสู่วิมุตตนั่นเองนะคะเนี่ยคะ่ะ<น>ก็เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบนิดนึงสุดท้ายตรงนี้ส ม, มุติถนนที่มาถึงกรุงเทพอย่างเงี้ยมันไปสิ้นสุดที่ไหนนะก็ที่นั่นแหละคือกรุงเทพพอถึงกรุงเทพแล้วก็ไม่ต้องไปต่อละถนนจบแค่นี้นะคะค่ะก็กราบน้ำมศการ ท่านจำเพาบูลเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับการที่จะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผูท้ทวัจนะให้กับพวกเราทางรายการสัมสนท น, นาที่สตรีเอเซนร้อยหวันนี้มนัมนส ก, การค่ะเรียนบาลค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัมม น, น, นานะคะเราก็พยายามที่จะให้ความรู้ท่านในลักษณะที่สบายๆค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ลืมค่ะที่จะให้ท่านนั้นได้เข้าถึงด้วย พุทธวัจนะคือคำสอนของพระศาสดานะคะเพื่อที่จะรักษาความเที่ยงตรงความถูกต้องของธรรมเอาไว้ดิฉันสรรักสงฆ น, น, นาคพง์ค่ะก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะดำเนินรายการในลักษณะนี้ล้วก็ได้รับเมตตาเป็นอย่างดีจากพระภิกษุในรายการนี้ก็มีท่านพบูบุญอภิบุโนวัดป่าดอนหายโศุดอธานีท่านมารคพระมาชาควโรวัดนาป่าพงลำลู ก, กาคลองสิปฐุมธานี วัดที่มีพระอาจารย์ครือคริตโสทิพโลซึ่งได้เมตตาให้หนังสือพุททวจนะกับพวกเราตั้งแต่วันแรกที่เริ่มดาเนินรายการเรื่อยมาจนถึงวันนี้เลยนะคะวันนี้เราขอให้ทุกท่านได้เจริญในสิ่งที่ท่านได้ใช้เวลาศึกษามาโดยตลอดก็คือพูททวัจนะํานให้ชีวิตของท่านพบ ก, กับความสวัสดีนะคะุท้สวัสดีคะ่ะ